สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิเสียพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิฟฟเปยซูตอนที่สามรอยี่สิบเจ็ดคุณค่าแห่งการเป็นสาวกตอนที่สองพี่น้องครับพระจนาของพระเจ้าก็เหมือนกับเมื่อวานนะครับอยู่ในมัทธิวบทที่สิบหกข้อที่ยี่สิบสี่เปเยซูตรัสว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา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 เราจะต้องสละนะครับหรือเอาชนะความต้องการฝ่ายโลกของตัวเองนะครับร บ, บางคนอาจจะทิ้งตำแหน่งสูงสูงแล้วก็ไปรับใช้พระเจ้าบางคนอาจจะออกจากการบริหารในบริษัทแล้วก็ใช้ความสามารถในเชิงบริหารเพื่อรับใช้พระเจ้าหรือบางคนอาจจะไม่ต้องออกไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสารภาพแต่เปลี่ยนแปลงไม่์เซ็เปลี่ยนแปลงหลักคิดเปลี่ยนแปลงปรัชญาชีวิตใหม่ เพื่อที่จะให้สถาบันที่ตัวเองรับใช้หรือทํางานอยู่นั้นซึ่งอาจจะไม่ใช่สถาบันของคริสเตรียนแต่เปลี่ยนหรือแปลแปลงให้เป็นคริสจักรย่อยๆเช่นการเปิดกลุ่มแคร์ก็ดีหรือการที่จะประกาศในวิชาชีพของเราที่มีอยู่ก็ดีนั่นคือการเอาชนะตัวเองนะครับประการที่สองก็คือเราจะต้องแบกกลางเขนกลางเขนนั้นหมายถึงความตายครับ กางเขนั้นหมายถึงการทนทุกข์ทรมานก่อนการ ก, กดขี่ข่มเหงการถูกเยอะเย้ยนะครับการเสียสละอันเกี่ยวข้องกับการรับใช้พระเจ้านะครับนี่คือการแบกกางเขนและสาวกแบกกางเขนเพื่อแสดงว่าตนยอมจำนนต่อพระเยซูนะครับซึ่งพระเยซูนั้นเป็นผู้เรียกเราให้เราเป็นสาวกและข้อสุดท้ายก็คือการติดตามพระเยซูซึ่งเมื่อวานนี้ผมได้บอกนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดครับ การติดตามพระเยซูหมายความว่าเป็นการเดินเคียงคู่ไปในเส้นทางเดียวกันนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องตามหลังครับพี่น้องครับคำมั่นสัญญาฤทธิอำนาจต่างๆและความหวังจะเกิดขึ้นอย่างมากมายเมื่อเราเป็นสาวกพี่น้องครับมันเหมือนกับแอดเวนเจอร์นะครับก็คือการผจญภัยในขณะที่เรารู้ว่าในที่สุดแล้วเราจะไปถึงเป้าหมายอย่างแน่นอนนี่คือการเป็นสาวกครับพี่น้อง การมีชีวิตที่เป็นสาวกนั้นเป็นคุณค่าสูงสุดที่คริสเตียนคนหนึ่งพึงจะมีได้ในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบหกข้อยีิบห้านะครับที่ได้กล่าวว่าถ้าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดเป็นพ่อคมภีร์ที่มีความหมายลึกซึ้งมากครับเพราะว่าคําคําว่าชีวิตนี้ไม่ใช่เป็นชีวิตที่ฝ่ายร่างกายแต่ชีวิตนี้มีความหมายว่าเป็น ตัวบุคคล น, นั้นทั้งหมดนะครับเพราะภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ใช้คําว่าไบออซึ่งแปลว่าฝ่ายร่างกายแต่ใช้คําว่าซูเกนนะครับซึ่งหมายถึงอะไรครับหมายถึงชีวิตที่เป็นเรื่องของตัวบุคคลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตใจความคิดความรู้สึกนะครับตรงนี้ทําให้เราเห็นปรัชญาชีวิตครับว่าถ้าหากว่าคนหนึ่งคนใดนั้นอยากจะเอาชีวิต ของตัวเองรอดพระเยซูบอกว่าด้วยกำลังของตัวเองด้วยวิถีของโลกคนนั้นจะไปไม่รอดครับก็คือจะเสียชีวิตแต่ถ้าหากว่าด้วยวิถีหรือวิธีของพระเยซูคนนั้นนะครับจะได้ชีวิตรอดแต่จะได้ชีวิตรอดโดยการอะไรครับโดยการเสียชีวิตของตัวเองการเสียชีวิตของตัวเองนั้นก็คือชีวิตเก่าเราตายครับ และชีวิตใหม่ที่เด็กเกิดจากการบังเกิดใหม่เกิดจากการเชื่อในพระเยซูนั้นมีความเต็มใจที่จะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างของตนที่มีอยู่อยากตัวตนของเราทั้งหมดในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะครับปรัชญาชีวิตที่บอกว่าเราทั้งหลายที่เป็นสาวกจำเป็นต้องเต็มใจที่จะใช้ทุกสิ่งที่มีอยู่จากตัวตนทั้งหมดของเราในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้า ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับเราก็จะมีชีวิตที่จเจริญเติบโตและมีความสุขเมื่อเรายอมใช้ตัวเราทั้งหมดยอมมอบตัวเราหมดในการรับใช้พระเจ้าเราก็จะพบชีวิตที่แท้จริงชีวิตที่แท้จริงนั้นเป็นชีวิตที่ได้รับจากองค์พระเยซูคริสพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเมื่อเราเห็นสิ่งที่คุ้มค่าเช่นนี้แล้วเราจะเชื่อ หรือไม่เชื่อพระองค์ครับและเมื่อเราเชื่อเราก็ต้องทำตามก็คือการมอบชีวิตของเราให้เป็นเครื่องบูชาในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเต็มใจทำทุกสิ่งที่มีจากตัวตนของเราทั้งหมดจากชีวิตที่เราเหลืออยู่ทั้งหมดจากทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่ทั้งหมดจากทรัพยากรต่างๆรอบตัวรอบด้านของเราที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อที่เราจะ โอนิบัติรับใช้พระเจ้าแล้วเราจะมีชีวิตที่จเจริญเติบโตและมีความสุขเมื่อเรายอมตัวเราทั้งหมดในการติดตามพระเยซูเราจะพบชีวิตที่ครบบริบูรณ์อย่างแท้จริงเพียงครับเมื่อพูดถึงตรงนี้บางคนอาจจะมีความเห็นแยง้งบอกว่าดิฉันหรือผมไม่จําเป็นที่จะต้องทิ้งทุกอย่างพี่น้องครับกรุณาทําความเข้าใจให้ดีนะครับ ผมไม่ได้บอกว่าเราจะต้องทิ้งทุกอย่างที่เรามีอยู่แต่เราต้องเต็มใจที่จะให้หรือใช้ทุกอย่างที่เรามีอยู่ในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับเพื่อนพี่ต่อไปพูดว่าเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกจะต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรพี่น้องครับกา ร, รได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกและก็ขาดชีวิต ขาชีวิตนี้ตรงนี้หมายความว่าเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตนี้ไม่ได้หมายความว่าตายฝ่ายร่างกายนะครับแต่ชีวิตตรงนี้มีความหมายว่าชีวิตนิรันดร์นะครับความผี่บอกว่าผู้นั้นจะนําอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมาเอาทรัพย์สมบัติถ้ามีมากไมยมหาศาลก็แลกชีวิตนิรันดร์ไม่ได้พี่น้องครับการมีของเยอะแยะมากมายปัจจัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะได้ ทั้งหมดในโลกนี้ก็แลกเอาชีวิตนิรันติไม่ได้เพราะว่าชีวิตนิรันตินั้นจะได้มาสถานเดียวครับก็คือการกลับใจใหม่ต้อนรับพระเยซูเพราะฉะนั้นคนเรานั้นจะมีอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าเราจะมีอะไรมากมายขนาดไหนก็ตามก็ไม่มีสิ่งใดสําคัญยิ่งกว่าชีวิตนิรันตินี่คือความหมายของพมผีขอ้อนี้เพราะฉะนั้นครับพี่น้องการที่เราสามารถรักษาจิตวิ ญ, ญญาณให้รอดได้และอุทิศชีวิตเพื่อการขยายแผ่นดินของพระเจ้าในโลกนี้ สำคัญยิ่งกว่าทรัพ ส, สมบัติใดๆในโลกนี้นี่คือความหมายของพระงค์ผีตอนนี้ครับพี่น้องโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับการที่เราสามารถรักษาจิตวิญญาณให้รอดและอุทิศชีวิตเพื่อการขยายแผ่นดินของพระเจ้าในโลกนี้สำคัญยิ่งกว่าทรัพ ส, สมบัติใดๆในโลกไม่มีอะไรที่จะไปแลกเอาสิ่งเหล่านี้ได้พี่น้องครับในวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสไขขวนะครับ ว่าพระเจ้าพระเยซูนั้นเรียกร้องอะไรจากเราคำตอบก็คือเรียกร้องชีวิตเรียกร้องความเป็นเบอร์หนึ่งนะครับจากเราพระเจ้าต้องการให้เราวางพระองค์ไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องในตำแหน่งที่ควรจะเป็นและเมื่อเป็นเช่นนั้นถามว่าถามว่าใครได้ประโยชน์สูงสุดครับพระเจ้าต้องการประโยชน์อะไรจากเราหรือเปล่าคาตอบคือไม่ใช่ครับแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการ กับเราจากเราก็คือการที่พระเจ้าจะรีเทิร์นพระพรของพระองค์และพระเจ้าจะใช้เราเพื่อประกาศข่าวประเสริฐ น, นําคนนําวิญญาณอีกมากมายที่ยังไม่รู้จักพระเยซูให้ได้รู้จักกับพระเยซูและเขาเติบโตเป็นสาวกติดตามพระองค์คนต่อไปต่อไปต่อไปเพราะฉะนั้นผลของการติดตามพระเยซูนะครับก็คือความชื่นชมยินดีและสันติสุข ความชื่นชมินดีและแสนสุขในการที่เราเห็นสาวกเติบโตชีวิตของเราเติบโตและชีวิตของคนอื่นๆเติบโตและสําคัญชื่นชมที่สุดก็คือได้เห็นดวงวิญญาณ น, นั้นได้กลับใจใหม่และเข้าในแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับผลการติดตามพระเยซูก็ยังมีอีกครับเมื่อเราติดตามพระเยซูเรารู้พระทัยของพระองค์อธิษฐานเราก็จะได้รับคำตอบครับ และที่สำคัญก็คือว่ามีวันหนึ่งเราจะได้รับบําเหน็ตในพระธรรมข้อที่27นะครับของมัทธิวบทที่16นี้ได้พูดว่าเหตุว่าเมื่อมนุษย์จะเสร็จมาพร้อมด้วยพระสิริแห่งพระบิดาและพร้อมด้วยทูตสวรรค์ของพระองค์เมื่อ น, นั้นจะประทานบําเหน็ตให้ทุกคนตามการกระทำของตนหลายคนบอกว่าผมไม่อยากได้บําเหน็ตผมขอรอดก็พอพี่น้องครับผมอยากจะเตือนสติท่านนะครับรอดก็พอ อย่างเดียวนะครับไม่พอครับอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาส ร, รับบําเหน็จและการรับบําเหน็จ ต, ตรงนี้เป็นเรื่องที่เราจะได้ตลอดชั่วนิจิรันนะครับเพราะฉะนั้นโปรดอย่าเสียดายเสียใจเมื่อเรารายงานตัวกับพระเจ้าในวันสุดท้ายนั้นก็อาจจะต้องคิดถึงคําเตือนสติจากโคจนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับว่าถึงตรงนั้นเราจะมีความชื่นชมยินดี เราจะไม่เสียด้เสียใจเลยเพราะเราได้ทำเต็มที่เราได้มีชีวิตที่เป็นสาวกพระเยซูอย่างแท้จริงนี่คือคุณค่าของการเป็นสาวกของพระเยซูอเมน